วิเคราะห์นิสสคีเธอจงฟังอาบัตที่เราเรียกว่านิสสคีตามลำดับพิกสุยอมสละและแสดงข้อละเมิดใดพร้อมกันในถ้ำกลางสงฆ์ถ้ำกลางคณะและในสำนักภิกสุหนึ่งเพราะเหตุนั้นเราจึงเรียกข้อละเมิดนั้นว่านิสสคี